คือก็รู้นะว่าพวะเจ้าคงแสดงทรรพระเจ้ามันแสดงทรรไปแล้วแต่ว่าถด้ไปได้ไปกราบพระองค์ก็ยังดีพอเอาวัวต้อนข้าวเก็เลยนะเดินไปนะั่ไปหาพระเจา้พจาพระเจ้าซึ่งรอชายผู้นี้พอเห็นก็แทนที่จะสแสดงธรรมทันทีนะพระองค์ก็บอกให้คนเนี่ยเอาอาหารไปให้พวกกินก่อนเพราะมันสายแนละ้วชายผู้นั้นไม่ได้กินข้าวมันแต่เช้าเลยเขาไปตามวัวก็เป็นที่แปลกใจนะของคนทั่วไปว่าอ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 แต่ว่าการกินในที่นี้เนี่ยถ้ามันมากเกินไปอาจจะระงับความหิวทางกายจะไปเพิ่มความหิวทางใจคือกระตุ้นความอยากความหิวทางกายต้องต้องบำบัดต้องบรเทานะด้วยการกินแต่ความหิวทางใจนี่จะไปพลเพลจะไปปลเพลตลอดเวลานี้ไม่ได้เพราะว่ า, ย, ายิ่งเพลยิ่งหิวยิ่งอยากมากขึ้นบางทีต้องวิอกกังวลด้ย